คนสนใจธรรมะมนก็เป็นเรื่องดีนะสังคมทุกวันนี้ร้อนเต็มทีแคนมีความทุกข์มากเหลือเกินคนหาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้ลำบากคนไหนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สนใจธรรมะก็ดิ้นรนทุรนทุรายไปอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จะออกอยังไงนะพวกเรามีสติปัญญานะ แต่ไม่ได้ว่าไปดูถูกว่าเขาโง่หรอกเพราะเราคงสะสมของเรามาที่จะสนใจศาสนาถ้าเราไม่เคยสะสมมาเลยนะเราไม่สนใจหรอกทำมงค์ทมะอะไรคนในโลกมีทั้งหลายพันล้านใช่ไหมมีคนสนใจธรรมะสักกี่คนกันก็ทั่งในเมืองไทยนะสนใจธรรมะก็สนใจผิวเผินเต็มทีศินห้ามียังไงบ้างยังท่องไม่เป็ดเลยนะ พวกเราก็ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยเราอย่านึกว่าพวกเราเยอะนะพวกเราเป็นคนส่วนน้อยจริงๆเลยศา ส, สนานะั่นแทบจะเป็นสิ่งที่ควรลืมเลือนไปหมดแล้วเอ็นหลวงพ่อภาพเพียนประกาศธรรมะทุกวันทุกวันเพื่อคนจะได้ยินได้สนใจขึ้นมามบ้างถ้าเราลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยตัวเราก็น่าสงสารนะลูกหลานต่อไปข้างหน้าน่าสงสารหนักข้อีก มันไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้จริงเหมือนธรรมะหรอกเระฉะนั้นะคนในโลกมันหาความสงบสุขไม่ได้หลายคนก็คิดว่าเรียนหนังสือมากๆเนี่ยมีงานดีๆทำมีเงินเยอะๆในชีวิตจะมีความมั่นคงโอ้โหบางคนนะทำธุรกิจทำจากเล็กๆนะรวยเป็นร้อยล้านอยู่ๆก็ลบมากเฉยๆก็มี มีพวกที่เรียนกับหลวงพ่อบางคนรวยร้อยล้านแล้วก็จนจนไปร้อยล้านเหีือกลับไปศูนย์ใหม่แต่ว่ายังมีธรรมะอยู่ก็พากเพียร น, นะตั้งตัวขึ้นมาได้อีกอย่างนี้ก็มีคนไม่มีธรรมะก็ลาบากล้มแล้วล้มเลยทุรนทุรายบางคนเครียดมากๆก็ไปหายาเสพติดไปหาอีหนูเป็นที่พึ่งมีนะหากิ๊กกึกเลยหลอกตัวเองไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ชีวิตเนี่นั้นไร้สาระเกินไปนี่การที่เราจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องดูพระพุทธเจ้าห้ามอะไรพระพุทธเจ้าให้ทาอะไรนะท่านห้ามอะไรเราก็อย่าไปทำมันท่านสั่งให้ทาอะไรเราก็ทำนะธรรมะจริงๆก็เป็นของกลางมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่มาค้นพบนะในยุคสมัยของพวกเรานี้ ก่อนนหน้านี้ก็มีผู้คนพบมาแล้วก็ศูนย์เป็นช่วงๆศาสนาพุทธศูญง่ายที่สุดเลยเพราะเป็นศาสนาของการพึ่งตัวเองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นอ่อนแอไม่อยากพึ่งตัวเองหรอกอยากพึ่งคนอื่นงั้นได้ยินธรรมะของการพึ่งตัวเองช่วยตัวเองมันก็ท้อแท้ใจละศาสนาพุทธสอนให้เราเรียนรู้ตัวเองเราไม่สนใจเรียนรู้ตัวเองเราสนใจเรียนรู้สิ่งอื่น เรีนรู้สิ่งอื่นอยากรู้เรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเราเองตอนนี้ยัางดาวแต่ละดวงเป็นยังไงก็รู้นะในดวงจันทร์มีน้ํำไหมก็รู้อะไรเงี้ยเที่ยวดูไปด้วยแต่มันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองนี่ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่สวนกระแสทวนกระแสมากเลยให้มาเรียนรู้ตัวเองในขณะที่ใครๆเขาก็อยากรู้ข้างนอกลืมตัวเองไปนึกเอาเองว่าเราดีเราวิเศษเต็มทีละ ให้พึ่งตัวเองนะในขณะที่คนทั้งหลายอยากพึ่งคนอื่นอยากพึ่งสิ่งอื่นงั้นศาสนาพุทธจริงๆอยู่ได้ไม่นานหรอกบางยุคบางสมัยบางพระพุทธเจ้าพระสาวกรุ่นที่ท่านสอนไปนิพพานหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่มีรุ่นต่ออย่างพระพุทธเจ้าบางพระองค์นะพระวิปสัสสีพระสีขีพระเวสภูอะไร เ, เหล่านี้นะท่าที่จําได้ท่านสอนสาวกไว้ได้รุ่นหนึ่ง ถัดไปก็หายไปเลยแต่อยู่ได้นานเพราะอายุคนรุ่นนั้นยาวศานะ ส, สนาของพระพุทธเจ้าเราพระองค์นี้ถือว่าเป็นศาสนาที่อายุยืนหน่อยนะอยู่มาหลายเจเน r เรชันแะล้วพระพุทธเจ้าบางองค์ท่า น, นขนไกายน้อยที่นขนไกวยน้อยเพราะคนที่ควรจะรู้มีน้อยรุ่นที่ควรจะรู้ท่านเก็บไปหมดแล้ว ท, ที่เหลือท่านก็ต้องปล่อยลนะนี่พวกเราก็เรียนมาได้หลายสิบเจเน a เรชัน 2,600 ปีเอา30หารได้เท่าไรนั่นคือจำนวนเจ n เน a เรชันเจ e เน t เรชันหนึ่งก็เราเราปีไม่ถึง100ใช่ไหมไม่ถึง น, นั้ศา ส, สนาพุทธจริงๆนะพร้อมที่จะหายไปเราต้องศึกษาเอาไว้นะศึกษาด้วยการฟังด้วยการอ่านอันนี้เรียกว่าปริยัตนะศึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติ ด, ดูของจริงเรียกว่าการปฏิบัติ จนกระทั่งวันหนึ่งเราเห็นธรรมะจริงๆประจักษ์แจ้งธรรมะจริงๆเรียกว่าปฏิเวทถ้ายุคใดยังมีปฏิเวทอยู่ก็ใช้ได้ถือว่าสมบูรณ์แบบล้ยังมีเนื้อนาบุญของโลกอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ครบถ้าเหลือแต่ปริยัติการปฏิบัติกระพร่องกระแพรง่งไม่มีปฏิเวทขึ้นมาก็เริ่มร่อยหลอลงไปกลอนบางยุคบางสมัยก็ไม่มีจริงๆนะ พระแท้ๆไม่มีอันนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อรู้เองหรอกครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอย่างในเมืองไทยเนี่ยเรามีศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกนะแต่คงไม่ใช่คนไทยหรอกคงเป็นคนมอนคนอะไรเงี้ยของเราคนไทยทุกวันนี้คงลูกผสมนะคงหาพันธ์ไทยแท้ๆคงหาไม่เจ อ, อนี่เราว่าเรามีศาสนาพุทธมาตั้งแต่ปี200กว่ากว่า ท่านสังคายนากัน2 3งรินิดๆ3อรอยาเงี้ยแล้วก็ส่งพระออกเผยแพรนะ่มีพระสององค์มาสวดนภูมิมีพระสวดนอุตรนะพระมา ก, ก็ว่าอยู่ที่พระม่านะสวดนภูมิคนไทยก็ว่าอยู่เมืองไทยนะแย่งกันอยู่นะรวมความแล้วก็คือดินแดนแถบนี้นะนี่ธรรมะก็สืบทอดอยู่ตรงนี้นะช่วงหนึ่งก็ค่อยๆเลื่อนไป พ่อขุนรามท่านก็ไปเอาธรรมะมาอีกอีกสายหนึ่งแล้วเอามาจากลังกาสืบทอดมาจากลังกาที่สายพระมาหินนะไม่ใช่สายพระโสณอุตละงั้นสายพระโสณอุตระจริงจริงอาจจะอยู่พม่า ก, ก็ได้ไม่แน่นักเงินเงินพร้อมจะหายไปเรื่อยๆนะอยู่มาอยู่มาก็เรารับมาจากลังกานะลังกาหายไปสมัยพระเจ้า บ, บรมกรุ ลังกาก็ต้องมาขอพระเราไปบวชให้พระที่อาสาสมัครนะรุ่นแรกเนี่ยเราก็มีนะนักอาสาสมัครไปเผยแพร่ธรรมะพระรุ่นแรกที่ไปนะไปไม่ถึงลังกาเรือแตกตายหมดเล ย, เ, ยเสียชีวิตหมดเลยทางลังกาเห็นหายไปหลายปีนะักขอมาอีกที่ขอมาครัวก่อนไม่เห็นถึงสถทีก็หาพระอาสาสมัครนะก็มีพระไปอีกยอมไปอีกไปสืบทอดศาสนา จริงแต่และคนแต่และรุ่นเนี่ยเขารักษาศาสนามาด้วยความยากลําบากมากเลยอนะย่างศาสนากว่าจะไปญี่ปุ่นได้ก็ลําบากมีพระญี่ปุ่นนะมาเมืองจีนมานั่งคัดคาพีนะเขียนลงไปในไม้ไผ่คัดลอกคำพีจะเอาไปญี่ปุ่นลงเรือนะคัดอยู่ตั้งนานหลายปีมากเลยได้คาพีแล้วผลลงเรือไปเรือยังไม่ทันจะถึงญี่ปุ่นนะมีพายุ กับตันเรือมันรู้สึกไม่ไผ่นี่หนักหรือเกินโยนทิ้งหมดเลยถ้าเป็นเราเราก็ถอดใจองค์นี้กลับมาอีกกลับมาอีกนะมานั่งคัดอีกรอบหนึ่งถึงได้ไปเพราะนั้นจริงๆแล้วคนรุ่นโบราณนะเขารักษาสืบท่าศาสนามาเนี่ยด้วยความยากลำบากมากเลยพวกเรารุ่นนี้ง่ายนะแต่ก่อนกว่าจะได้พระไตรปิฎกหนึ่งชุดเนี่ยต้องระดับพระเจ้าแผ่นดินทำ เดี๋ยวนี้พิมพ์พระไตรปิฎกกันชุดหนึ่งไม่กี่ตังค์ละเยอะแยะไปหมดเลยเป็นซีดีก็มีแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่มีคนอ่านสมัยแรกกันที่หนึ่งท่านก็เขียนพระไตรปิฎกใส่ตู้ไว้ที่วัดพส่แก้วไฟไหม้ที่หอเก็บนะสามารปขนเนียลมาได้อีก <S <S <S หายากโอกาสที่จะได้อ่านนะมีน้อยรุ่นเรามีโอกาสอ่านมากแต่ก็ไม่อ่านหรอก เอาไว้ก่อนนะไว้ว่างๆแล้วค่อยอ่านโถเมื่อไหร่จะว่างชาตินี้ก็ไม่ว่างนะงั้นศึกษาไว้บ้างนะมันเป็นของหายากนานๆศาสนาพูทธจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเกิดแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่กนะ็จะสูญหายไปเพราะมันยากเหลือเกินที่จะเข้าใจอย่างหลวงพ่อพยายามนะพยายามถ่ายทอดธรรมะธรรมะก็ของเดิมนั่นแหละแต่ถ่ายทอดด้วยวิธีที่ใหม่หน่อยให้คนรุ่นนี้ฟังรู้เรื่อง พูดบาลีให้น้อยลงหน่อยพิธีกรรมให้สั้นลงน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ให้ศีลให้พรไม่ให้แล้วนะไปอ่านเอาเองควรจะรู้ว่าศีลมีอะไรต้องไปรู้เอาเองไปอ่านเอาเองนะต้องเรียนนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าห้ามอะไรไปเรียนเอาเองนะหลวงพ่อไม่มีเวลามากที่จะสอนคนจํานวนมากมายอย่างนี้ให้ทั่วถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อเองไม่รู้ทั่วถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยไม่มีสาวกคนไหนรู้ทั่วถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรอกกรนะะทั่พระอราหันต์ก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะเข้าใจผิดนะแต่ละคนแต่ละองค์ที่ศึกษาท่านก็ศึกษามาบางส่วนพอให้พ้นทุกขนะ์คนที่จะรู้ได้ทั่วถึงจริงก็ต้องเรียนปริยัติถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ทั่วถึงหรอกแต่ว่ารู้แค่พอเอาตัวรอดพอพ้นทุกข์เท่านั้นเอง ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆไม่มีอะไรมากหรอกนะอย่าไปกลัวว่าธรรมะมียเยอะเกินเนี่ยเฉพาะพระไตรปิฎกอัฏฐกถาดูนะคำภีสองรุ่นเท่านั้นนะไตรปิฎกอรฏฐกถาเนี่ยหนึ่งตู้ใหญ่ๆขนาด น, นี้นะคำภีร์ที่รองลงไปยังมีอีกคำพีชั้นดีกาชั้นอนุดีกานะยังมีอีกเยอะแยะเลยแล้วมีประการวิเศษวิเศษคือพิเศษนะมีคำภีร์ตหาอะไรอีกเยอะแยะเลยนะเรียนให้หมดนะเรียนกันชั่วชีวิตเลย จะเรียกว่าเหรียญชั่วชาติก็ไม่ได้เรียกชั่วชีวิตนะต้องเรียนกันนานถ้าเรียนไปแล้วเมื่อไหร่จะได้ปฏิบัติใครเขาอยากเรียนนะเราอนุโมทนาไว้นะจําไว้นะเห็นใครเขาเรียนตริยญาศรัาธาทุเรียนไว้เถอะพ่อคุณแม่คุณส่วนเราเรียนกรรมาฐานไว้นะอย่างน้อยเอาตัวรอดก่อนนะ เอาตัวรอดได้อย่างน้อยได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วอยากเรียนปริยัติก็ค่อยเรียนเอาปริยัติเราเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกนะขั้นแรกเลยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยสตินะสติที่แท้จริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสัมมาสมาธิ ถาเมีสติที่แท้จริงมีจิตที่มีสัมมาสมาธิที่แท้จริงอย่า ก, กลัวว่าจะไม่รู้ธรรมะธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยอย่างในคำภีร์ทางมหายานเขาชอบพูดกันว่าพระพุทธเจ้านะแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยอันนี้มันเป็นซิมโบโลิกเป็นบุคราที่สถานเป็นสั ญ, ญลักษณ์ในความเป็นจริงก็คือธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง สังเกตไหมโลกนี้ไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในโลกนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลามีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปมีไหมไม่มีหรอกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะดูไปรอบๆตัวเราก็ามีคนแก่คนเจ็บคนตายนี่สอนให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ดูเท่านั้นเราคิดว่าคนอื่นมันแก่คนอื่นมันเจ็บคนอื่นมันตายแต่ยังไม่ถึงคิวของเราหรอกรู้สึกอย่างนี้ไหม ใจ ร, รู้สึกบ้างว่าวันนี้จะตายละมีไหมไม่มีสักคนเลยเนาะก็เราไม่ไม่ยอมดูความจริงนะความจริงนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแสดงอยู่รอบๆบตัวเรานี่แสดงอยู่กระทั่งในตัวของเราเองเะฉั้นธรรมะนั้นแสดงตัวตลอดเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คําว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์นนัหมายถึงธรรมะนั่นแหละแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้น มันหูหนวกตาบอดนะมันไม่ดูไม่ฟังธรรมะที่แสดงตัวพวกเราหันมาสนใจเปิดใจของเราขึ้นมารับธรรมะนะธรรมะแสดงตัวอยู่ที่ไหนแสดงตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งนะแต่ถ้าเราอยากเรียนให้ได้ผลดีเราเรียนอยู่ที่กายที่ใจตัวเองเพราะว่าเราเข้าข้างตัวเองมากที่สุดนะเรารักตัวเองมากที่สุดนั่นมาเรียนในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเอง อย่างเราไปดูตามโรงพยาบาลเห็นคนเจ็บเยอะแยะใช่ไหมเราก็เข้าข้างตัวเองว่าเรายังไม่เจ็บเรามาดูในตัวเองเราจะเห็นว่าเราเจ็บอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่นะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันนะเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอึปวดฉีนะ่บางทีก็เจ็บไข้รุนแรงขึ้นมาใช่ไหมตัวจริงของเรานั้นแสดงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เราละเลยเราไม่ดูเท่านั้นเองนะ ดูดูลงมาที่กายของตัวเองดูลงมาที่ใจของเราเองถ้าไปดูที่คนอื่นจะมีอคติเห็นคนอื่นตายฉันยังไม่ตายหรอกขับรถไปเห็นไหมเวลารถชนกันหนึ่งคันเห็นไหมรถติดทั้งถนนเลยบางทีติดไปถนนอื่นด้วยทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จอดดูคนละนิดเน ะ, นะเสร็จแล้วก็โอ้มันตายไปแล้วแต่ยังไม่ใช่เรา แทนที่เราจะดูออกภายนอกนะอยากเรียนแล้วก็ละกิเลสได้เร็วๆนะย้อนมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองมีอคติมากเหลือเกินนะว่านี่ตัวเราแท้ๆตัวเรามีจริงๆตัวเรานี่ถาวรด้วยนะเห็นกายนี้ถาวรเห็นจิตนี้ถาวรเห็นกายนี้มีความสุขเห็นจิตนี้มีความสุขหลงระเริงไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่หลงระเริงจะไม่เห็นหรอกว่ามีความสุขการที่เห็นว่าสุขนี่นะท่านถือว่าวิปลาสลนะ มีมีการมองเห็นว่าเป็นสุขความจริงมันเป็นทุกข์นะเราเห็นของที่เป็นสุขเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่ว่เราเห็นอย่างวิปลาสนะเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตของเรานี่ไม่เที่ยงนะเราเห็นว่าจิตเราเที่ยงนี่พวกวิปลาสร่างกายนี้จิตใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราก็ไม่เห็นหรอกเราเห็นว่ามันมีความสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างเก่งที่สุดก็เห็นได้แค่นั้นถ้าพวกหลงละเริงอะไรก็รู้สึกว่าสุขเยอะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ นี่ก็วิปลาสกายนี้ใจนี้นะเป็นสมบัติของโลกเรายืมเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเราก็หน้าด้านขี้ตู่ว่าเป็นของเราเป็นตัวเราที่ถาวรควาจริงยืมเข้ามาแล้ววันหนึ่งก็ต้องคืนเขานะในเวลาไม่นานเท่าไหร่ทุกวันนี้อายุโดยเฉลี่ยก็ประมาณ7 0กว่าปีถ้าในคำภีก็ถือว่าคนรุ่นเราเนี่ยอายุเฉลี่ยนะปีเนี่ยในทางศาสนาพุทธนะ อายุเฉลี่ยของคนรุ่นนี้คือ75หปีเรียกว่าหนึ่งกับหนึ่งกับเนี่ยนะก็คืออายุเฉลี่ย น, นั่นเองเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแะล้วท่านบอกว่าถ้าเจริญอิทธิบาทจะอยู่ได้หนึ่งกับเมื่อก่อนหลวงพ่อโกรธพระนอานนท์มากเลยว่าทําไมพระนอานนท์ไม่อารัธนาให้ท่านอยู่หนึ่งกับท่านจะได้อยู่มาถึงวันนี้ยังไม่หมดกับ กลับอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มหากลับไม่ใช่ช่วงเวลาตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกกลับนั้นคืออายุกลับคำว่าอายุกลับคืออายุเฉลี่ย น, นั่นเองนะคนรุ่นพระพุทธเจ้านี่อายุเฉลี่ยประมาณ1้อยปีของเราประมาณ75ปีนะเพราะ น, นอายุเฉลี่ยแค่นี้แหละจริงอายุไม่มากนะน้อยนี่เราไม่ประมาทเราคอยมีสติดูลงไปเราจะเห็นว่าความตายนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บางคนนะตายง่ายมากเลยหลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งทำครัวอยู่วางน้ํหมอกวันหนึ่งกินข้าวกินข้าวแล้วกินเร็วไปรีบจะไปทำงานยัดยัดยัดไปสออกอ่กนะสะออกทีเดียวนะอาหารเนี้ยเข้าไปในหลอดลมนะหายใจไม่ได้ตายเลยแค่นี้ก็ตายแล้วนะเพราะนั้นจริงๆแล้วนะมันตายง่ายไม่ได้ทนทานอะไรหรอก หายใจเข้าแล้วก็ไม่หายใจออกก็ตายแล้วหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายแล้นะชีวิตนี่เป็นของไม่แน่นอนเลยเรามาเรียนดูอย่างนี้แหละนะไม่มีอะไรที่เรียกว่าตรวจตนถาวร น, นะไม่มีของที่เที่ยงไม่มีของที่สุขแท้จริงสุขที่แท้จริงต้องสุขถาวร น, นะสุขชัว่วครั้งชั่วคราวก็ไม่เรียกสุขแท้จริงหรอกอย่างเรานั่งสมาธิจิตใจมีความสุขมีความสงบสบายประเดี๋ยวประดาวนะออกจากสมาธิฟุ้งซ่านอีกแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่แท้จริงอีกนะ ของสุขแท้จริงก็มีอันเดียวคือนิพพานนิพพานเหมือนเที่ยงนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขได้เมื่อนั้นแหละนะไม่หายไปไหนนี่พวกเรานะมาเรียนรู้อยู่ที่กายมาเรียนรู้อยู่ที่ใจวิธีเรียนรู้กายรู้ใจสอนทุกบ้านทุกวันนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่เป็นคีย์เวิร์ดนะที่หลวงพ่อรวบรวมมาเนี่ยฝึกฝนมาตั้งหลายสิปีนะแล้วย่อลงมาได้แค่นี้แหละ มีสติไม่ใช่ขาดสติคนในโลกมีแต่คนขาดสติคนขาดสติคือคนลืมตัวเองนะจิตหลงตามกิเลสไปตลอดเวลาสังเกตไหมใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเราลืมกายลืมใจตลอดเวลานี่เราไม่มีสตินะนเราหัดมีสติวิธีจะให้สติเกิดก็คือหัดรู้สึกตัวไปหัดรู้สึกบ่อยบ่อยรู้สึกกายบ่อยๆรู้สึกใจบ่อยๆต่อไปมันจะรู้ขึ้นมาอัตโนมัตินะ จิตใจมันค okay. mm. uh huh. no, ุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวแล้วรู้สภาวะแม่นอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกมันแค่รู้สึกขึ้นมาไม่ได้จงใจไม่ได้บังคับให้รู้สึกนี่เรื่องเรามีสติขึ้นมาพอมีสติขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้ทันรู้กายรู้ใจแล้วให้ไปทําอะไรให้ไปรู้นะให้รู้นะไม่ได้ให้เพ่งบางคนมีสติแล้วเพ่งกายเพ่งใจหรือบางคนมีสติแล้วเพ่งอย่างอื่นเช่นไปเพ่งเทียนเพ่งไฟนะ เพ่งอากาศเพ่งช่องว่างอันนี้ไปเพ่งเอาถ้าหลักของการปฏิบัติก็มีสตินะคือรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกตัวได้ขึ้นมามีสติแล้วก็ให้รู้เอาไม่ใช่ให้เพง่งเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้เพ่งใจก็ใช้ไม่ได้อย่างบางคนนะรู้ลมหายใจจิตไปแนบอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกว่าเพ่งลมหายใจบางคนดูท้องพองยุบจิตไปแนบอยู่ที่ท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนี่เรียกว่าเพ่งท้องนะ บางคนขยับมืออย่างสายรงพระเทียนขยับมือไปเพ่งอยู่ที่มือก็เรียกว่าเพ่งนะไม่ใช่รู้เดินจงกรมแล้วจิตไปอยู่ที่เท้าก็เรียกเพ่งเท้าไม่ใช่รู้นะให้เรารู้ไม่ใช่ให้เราเพ่งรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งนั้นเริ่มต้นด้วยโลภะอยากปฏิบัตินะอยากรู้ให้ชัดมีโลภะนะอยากปฏิบัติก็เที่ยวหาอยากว่าจะดูอะไรดีพอเจออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไปจ้องไว้อยากรู้ให้ชัดจ้อง งั้นเวลาที่พวกเราดูกายดูจิตดูให้ดีเหอะเราชอบถล่มลงไปจ้องถล่มลงไปเพ่งนะเพราะอะไรอยากรู้ให้ชัดนี่กิเลสมันนาหน้ามานะทําให้เกิดการเพ่งส่วนการรู้นั้นสติะระลึกขึ้นเองโดยเราไม่เจตนาจ ะ, ะระลึกนะแต่ว่าสติะระลึกขึ้นได้เองนั้นเพราะสติคุ้นเคยที่จะเกิดสติจําสภาวะได้แม่นงั้นหน้าที่เรานะหัดรู้สภาวะบ่อยๆความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมารู้นะ ความโลภความหลงนะความโกรธอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันหายใจออกรู้ทันหายใจเข้ารู้ทันยืนเดินนั่งนอนรู้ทันคอยรู้สึกไปเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวคอยดูไปเรื่อยต่อไปพอมันเคลื่อนไหวแวบนะสติจ ะ, ะระลึกขึ้นเองนะไม่ได้เจตนาให้ะระลึกนะเพราะั้นไม่มีโลภะนาหน้าถ้ามีโลภะนาหน้าจะกลายเป็นเพ่งแต่อยู่ มันจะรู้ขึ้นได้เองไมไม่รู้หรอกต้องซ้อมรู้นะจิตของเราเนี่ยคุ้นเคยที่จะหลงจิตเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้เพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมรู้ทุกวันหัดรู้กายหัดรู้ใจรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจเรื่อยไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกเกิดกุศลเกิดอกุศลรู้สึกนะจิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคอยรู้สึกนะ เคยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจจนสติอัตโนมัติมันเกิดขึ้นมาไม่มีโลภะแทรกแล้วครานี้เป็นสติแท้ๆนี่เรียกว่าเรามีสติเพอมีสติแล้วนัสตินั้นจะไปรู้กายโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้สติจะไปรู้ใจโดยไม่เจตนาจะรู้ไม่เจือด้วยโลภะเป็นสติแท้ๆถ้าสติเจือด้วยโลภะไม่ใช่สติจริงสติกับโลภะจะเกิดร่วมกันไม่ได้ เพะว่าโลภะเป็นอกุศลสติเป็นกุศลกุศลและอกุศลไม่เกิดร่วมกันเหมือนเราจุดไฟขึ้นในความมืดใช่ไหมมีแสงสว่างขึ้นเมื่อไหร่ความมืดก็ไม่อยู่ละมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วบางมืดกับสว่างนะมีสติแล้วเราคอยรู้กายรู้ใจไดยไปรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงไหมเนื้อคีย์เวิร์ดที่หลวงพ่อสอนไม่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ นะไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่ดูกายให้เป็นปฏิกูลเป็นาสุพะหรือดูกายเพื่อจะเอาชนะความจริงอย่างเรานั่งสมาธิหรือนั่งภาวนาอยู่ล้วปวดเราเมื่อยนะเราไม่ได้นั่งภาวนาให้หายปวดหายเมื่อยความปวดความเมื่อยเป็นของจริงนะเวทนาเป็นของจริงเรียกว่าเป็นอารมณ์ปรมตธิเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายไปนะ บางคนภาวนานะจนกระทั่งนั่งทนทนไปนะต่อมาหายปวดหายเมื่อยแล้วภูมิใจโอ้กูเก่งกูเก่งเห็นไหมอะไรที่ได้มาได้กูเก่งมานะแทนที่จะเห็นว่าไม่มีกูนะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาชนะความจริงนะไม่ใช่เอาชนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาถ้าภาวนาไปเพ่งเอาเพ่งเอานะจิตสงบรู้สึกจิตเที่ยงจิตสงบเนี่ยจิตเที่ยงอยู่าสอนเลยว่าจิตเที่ยงพวกนี้ติดสมถะ รู้สึกว่าจิตเที่ยงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะเที่ยงอยู่อย่งนะั้นะรู้สึกว่าจิตนี่แหละสุขนะเพราะจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันก็เป็นสุขรู้สึกว่าจิตนี่แหละเป็นของที่บังคับได้คือเป็นตัวกูของกูเป็นอัตตาตัวตนไหมถ้าเราไปทําแต่สมถะนะเราเพ่งเพงไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขนะเห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนนี่พวกที่ติดสมถะจะได้แค่นี้เอง นะจะคลาดเคลื่อนไปจะมีอัตตาตัวตนขึ้นมาจะสอนเลยจิตเที่ยงนะจิตสุขจิตเป็นตัวตนนะอะไรอะไรก็เป็นตัวตนสอนอย่างนั้นแต่ถ้าเราทํำวิปัสสนาจริงนะเรามีสติรู้กายรู้ใจไปเราจะเห็นกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นจะิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก นั่งแล้วก็ต้องยืนต้องเดินต้องนอนใช่ไมต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปอิริยาบถต้องเคลื่อนไหวต้องหยุดนิ่งใช่กินเข้าไปก็ต้องขับถ่ายมีแต่ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลานะไม่เคยหยุดนิ่งเลยหัวใจก็เต้นไปเรื่อยๆบังคับได้ไหมบังคับก็ไม่ได้นะดูลงไปเลยมันมีแต่วัตถุมีแต่ก้อนาธาตุมีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเรานะนี่คือความจริงไม่ใช่นั่งเพื่อเอาชนะนะ ร่างกายเจ็บป่วยนั่งให้หายป่วยทำได้ไหมทำได้เหมือนกันสำหรับบางโรคเวลาจิตทรงสมาธิเกิดธรรมปีติขึ้นมาเนี่ยหายโรคได้เหมือนกันนะอย่างมาเลเรียอะไรนี้ครูบาอาจารย์หายมาแล้วมะเร็งนี่ครูบาอาจารย์หลายองค์หายมาแล้วนะอย่างหลวงปู่เทศท่านหายนะท่านหายอันนั้นเกิดจากสมาธินะเกิดจากจิตท่านทรงสมาธิ แต่ถ้าเราจะเดินวิพัฒนานดูของจริงไปมีแต่ของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตา น, นี่แหละมีสติเราก็มารู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นอะไรเห็นความจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราต้องไม่เข้าไปแทรกแซงจิตต้องอยู่ต่างหากนะจิตทำตัวเป็นแค่คนดูเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดู ดูด้วยความเป็นกลางดูแล้วไม่มีอคตินะดูเหมือนผู้พิพากษาดูเหมือนเป่าบุญจิน้นดูนี่ต้องดูอย่างเป็นกลางไม่มีอคติไม่ใช่ดูด้วยความยินดียินร้ายด้วยเพราะฉนั้นเราอยากได้พน้นความพ้นทุกนะอยากได้สาระแก่นสารอยากได้ปฏิเวทให้เราหัดนะฝึกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะี่ฝึกไปเรื่อยทุกวันทุกวันวนะวันหนึ่ง เราก็จะได้ธรรมะมาครอบครองในหัวใจของเราเองเราจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขที่ไม่ยิงอาศัยคนอื่นและสิ่งอื่นนะใครจะชมใครจะดา่าเราก็มีความสุขของเราอยู่อย่างนี้เองนะจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็มีความสุขของเราอยู่อย่างนี้เองนะได้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่ไม่หิวโหวยนะงั้นพวกเราค่อยๆฝึกเอานะฝึกหัดรู้สภาวะไปจนเกิดสติมีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจดูเขาทางานไป ด้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงวันหนึ่งเราก็จะได้ธรรมะมาคลองน ะ, ะชาวตอนนี้ก็ไปคลองกินข้าวก่อนนะเอาร่างกายไปกินอาหารนิมนต์เลยครับนิมนต์